ทีนี้เมื่อมีการถามตอบพระวินัยเสร็จก็หลังจากนั้นก็จะทําสังขารนาพระธรรมขึ้นก็เลยถามภิกษุว่าจะให้ใครเป็นธุระในการตอบพระธรรมก็บอกให้พระอ น, นุนี่เป็นธุระท่านพระมหากระสปะก็ประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านปจะเป็นผู้ถามพระธรรมพระอ น, นุก็ประกาศตนว่าจะเป็นผู้ผู้ตอบพระธรรมก็เลยมีการถามตอบพระธรรม ก็ถามไล่ตั้งแต่พรมชาลสูตรเนี่ยนะพรมชาลสูตรสามัญญผลสูตรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถามนิกายทั้ง5นะนิกาย5มีอะไรบ้างทีคนิกายทั้งหมด34สูตรมัชฌิมนิกาย152สูตรสังยุตตนิกายนะสังยุตตนิกายนี่มี 7,62 ดพันเจ็ดยสูตรนะแล้วก็ถามอังคุตระนิกายอีก 9,557 สิ 9, สูตร ทีนี้ก็มาขึ้นคุต ธ, ธากานิกายก็ถามไล่มาจนถึงคุถกานิกายคุตะกานิกายมี15คัมภคพีสิบห้าคำีก็ไล่ตั้งแต่คุธธากะปาทะนะถ้าเป็นฉบับเรานะคุธธากะปาทะยุเล่มามสิจบคุธธากะปาทะ40 4 1 41 4ี่นี่เป็นคาถาธรรมบทเนี่ยนะก็ต่อ้วยธรรมบท44บก็เป็นอุทาน45สอิติวุตกะ4ีสสุดตานิบาีด วิมานวัตถุใช่มสี่4ิบเก้าเปตตวัตถุห้าสิบห้าสิบอะไรเทรคถาห้าสิบห้าสเห้าสิบสองห้าสบามเทรคถาห้าสิบสี่เทรีคถาห้าสิบห้าไปจนถึงห4สิบสี่เป็นชาดกห5สิบห้าเป็นมหานิเทศห6สิบหกก็มหานิเทศหกสิบเจ็ดจุลนิเทศหกสิบแปดหสิบแดหเก้าปฏิสัมพิธามมรกเจ็ดสิบเจสิบเจสิบเอ็ดเจสิบสองเป็น อปทานเจ็ดสิบสามพุทธวงศ์เจ็ดสิบสี่จริยาปิดกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล่มสามสิบเก้าจนถึงเจ็ดสิบสี่นี่เรียกว่าคุถก า, กานนะธธากาิกายนี่นะคุถกานิกายเนี่ยโอ้หลายเล่มมากเลยนะอ่านถ้าจนถ้าใครแปลคุถกะว่าเล็กน้อยนี่ไม่เล็กเลยนะใหญ่กว่านิกายที่เหลือทั้งหมดเขาเลยขับแปลคาว่าคุถกาณิกายว่านิกายอื่นเว้นจากสี่นิกายข้างต้นเรียกว่า พุท ธ, ธากานิกายอันนั้ทีขนิกายนี่มีเล่มเท่าไรเล่มสิบอ็ดถึงเล่ม16เรียกว่าทีขนิกายเล่มสิเจดถึงเล่ม23เป็นมัชชิมะนิกายเล่ม24ถึงเล่มสาเอเป็นสังยุตตนิกายเล่มที่ 32- สสถึงสสิเท่าไรถึง38เป็นอังคุตระนิกายกอ็อ่านๆเอาอนน ที่มาเป็นมงคลสูตรนี้มงคลสูตรนี่อยู่ในคัมภีร์คุถะนิกายเห็นไหมคุถะนิกายคุถะนิกายอยู่ในมงคลสูตรมีอยู่สองสองสองแห่งนะมีอยู่ในสองคัมภีร์ตัวมงคลสูตรสองคัมภีคัมภีแรกคือคัมภีร์คุถะปาฐะที่เราเรียนกันอยู่นี่เรียกว่าเอาไว้สวดทั่วทั่วไปคุถะปาฐะก็คือเป็น ตาถาคืแปลว่าเป็นคําพูดคําพูดที่เอามาสวดมาสาธยายกันบ่อยๆแล้วอีกที่หนึ่งมีอยู่ในสุตตะนิบาตเนี่ยนะมีอยู่สองแห่งนะก็ทั้งสองแห่งนี้ก็เนื้อความการขยายความเหมือนๆกันแปลก็ตัวคําขยายเหมือนกันแต่ว่าคําแปลเพราะว่าแปลหลายอาจารย์ก็แปลคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ดีควรจะดูทั้งสองแห่ง นะทั้งเล่ม39และเล่ม47เนะเล่ม47ก็เอาไว้ดูเทียบกันเพราะสัมนวนแปลก็คนละอย่างแต่ทีนี้ว่าถ้าแปลได้สมบูรณ์กว่าเล่มนี้ก็เล่ม47จะแปลดีกว่านะแต่ก็ดูดเอานะว่าศรัทธาเล่มไหนก็อ่านแต่ก็ควรอ่านเทียบทั้งสองเล่มนั่นแหละอย่างคําที่ให้แก้ไปก็ให้แก้ไปตามเล่ม47นะันเ ส่วนคําว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะเอกังสมยังพักขวาเป็นต้นนี่ก็เหมือนอย่างที่เราเรียนในในอะไรมูลเปียยสูตรเนี่ยนะเนื้อหาเหมือนกันกับในมูลเปียยสูตรแต่คําที่น่าศึกษาเป็นพิเศษในเอวเมสุตังเอกังสมยังพักขวาเนี่ยอยากจะเรียนคําว่าพักขวาเลยเนี่ยนะก็ศึกษาพุทธคุณนอ น, นในตอนเช้าเนยนะ หน้า146เลยนะมาดูคำว่าพักวาเลยเรียนพุทธคุณโดยสับก่อนนะคำว่าพักวานี่เป็นเป็นการใช้คำที่เรียกว่าใช้กับผู้ที่วิเศษหมายคับว่าใช้กับบุคคลพิเศษเท่านั้นคาว่าพักวานี้มันคำว่าพักวาเป็นคำเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้วิเศษโดยพระคุณเป็นยอดของสัตว์ เป็นครูและควรเคารพนะคำว่าพักวาเป็นคําประเสริฐสุดคําว่าพักวาเป็นคําสูงสุดพระองค์ทรงเป็นครูและควรแก่ความเคารพด้วยเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าพักวาแปลเป็นไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอั้นคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่หูเป็นคําที่เคารพที่สุดเนี่ยนะผู้ที่ชอบใช้คําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้การเนี่ยใช้บ่อย คือไม่ค่อยใช้คําว่าพระพุทธเจ้าแต่นิยมใช้คําว่าพระผู้มีาพระภาคเจ้าแต่ก็บางท่านก็นิยมใช้คําว่าพระสัมมาสามัามพุทธเจ้านะหรือว่าพระอระหันตสัมมาสามัามพุทธเจ้าหรือบางท่านก็ชอบใช้คําว่าพระตถาคตแต่ทุกคําก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันคาใดที่จะยังสักดิ์ทินซีของเราให้มั่นคงควรใช้คํานั้นนะก็ศรัทธาคําไหนก็ใช้คํานั้นเถอะเพราะทุกคําก็ทรงความหมาย หมายถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันคุณลุงชอบใช้คําไหนพระศาสดานะทางเหนือก็ชอบใช้คําว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าภาคเหนือนี่หมายเอ่อพระคำว่าถ้าทางเหนือเขใช้คําว่าพระเจ้านะหมายถึงพระพุทธเจ้าทางเหนือจะบอกพระพระเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้ามันถ้ามาได้ยินคนทางเหนือเขาพูดว่าพระเจ้าอย่าไปตกใจเพราะว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ่ ที่นี้คว่าพักวานในหน้า147ที่กล่าวถึงว่าโดยศัพท์โดยนามโดยชื่อนี่ก็ไม่กล่าวนะแต่ว่าคําว่าพักวานนั้นเป็นชื่อที่เกิดจากสัจชิกาบัญญัติบัญญัติที่เกิดจากหลังจากตรัสรู้อริยรสัจสัจชิกาก็คือทําให้แจ้งใช่ไหมทำให้แจ้งอะไรทำที่ควรทําให้แจ้งน่ะนะสัจชิกาตะธรรมเนี่ยทำที่ควรทําให้แจ้งคือพระนิพานกับสามัญญผล ตรงนี้เน้นพิเศษคืออรหั ต, ตผลหลังจากที่อรหั ต, ตผลของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีชื่อว่าพักวาคําว่าพัวาร์คำว่าพักวานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีพระคือมีโชคเพราะทรงเป็นผู้เสพที่สงัดเพราะทรงมีภาคะส่วนที่ควรได้รับจะตุ ป, ปจัจหรือมีส่วนแห่งธรรม เพราะทรงเป็นผู้จำแนกธรรมะเพราะได้ทรงทำการหักบาปประทำเพราะทรงเป็นครูเพราะทรงมีภาคยะคือบุญเพราะทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยยายญธรรมเป็นอันมากเพราะเป็นผู้ถึงที่สุดพบเนี่ยนะนั้นคำว่าพักวาในหน้า147่เนี่รายละเอียดกว้างขวางดูในวิสุทธิมัชนะนะวิสุทธิมัคนี่ขยายในหน้า147เป็นหลัก แต่ในคุตตาปาถะเนี่ยนะในหน้าหนึ่ง้อสี่บเนี่ยนะมาขยายให้ดูเป็นหคำหคำก็คือหนึ่งพัคยวาพัควายุโตพระเคหิจะวิพัตตวาพัตตวาวันตะคมโนพระเวสุพัควาตะโตหคำนั่นหนึ่งพระองค์ทรงมีบุญสองทรงหักกิเลสสทรงประกอบด้วยพระธรรมสทรงจำแนกธรรมห้าทรงเสพธรรม 6. ทรงคายกิเลสเป็นเหตุไปในภพทั้งหลายได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงทรงขนามว่าพักวะตรงนี้ขยายหกคานะหกคาก็ไม่เห็นพิมพ์ก็เขียนเอาก็ได้นะ 1. ทรงมีบุญ 2. หักกิเลส 3. ทรงประกอบด้วยพักธรรม 4. ทรงจําแนกธรรมะ 5. ทรงเสพธรรมะ 6. คายกิเลสเป็นเหตุไปในภพทั้งหลายได้แล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องพักวาพวัวะเนี่ยนะ ก็ถ้าหลักไวยากรณ์เนี่ยเขามีนิรุติศาสตร์นิรุติศาสตร์ก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเพิ่มลงอักษรใหมย่ย้ายอักษรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าใครเรียนบาลีมาแล้วก็คงไม่มีปัญหานะเพราะหลักการบาลีเนี่ยเขามีการเปลี่ยนยักย้ายถ่ายเทเหมือนกับอะไรเหมือนภาษาไทยนะถ้าเป็นนักกาบนักกลอนเนี่ยจะรู้ดีใช่หพวกนักกาบนักกลอนนะเขามีการตัดคำหน้าบ้างเหลือแต่คำหลังบ้างเขามีการ เปลี่ยนอักษรบ้างเอาภาษาอื่นมาใสา่แทนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพื่อเนื้อหาจะได้สัมผัสสัมพันธ์กันฉันใดก็ดีคำว่าพักวาก็เหมือนกันตามในแห่งนิรุติศาสตร์ก็ลักษณะนี้อย่างเช่นคำว่าพัควานี่น่าจะเรียกว่าภาคยวนะนะน่าจะมาจากคำว่าภาคยว่าคือแทนที่จะเรียกว่าภาคยวะเพราะพระองค์มีภาคยะคือมีพระองค์เนี่ยมีบุญ บารมีมีทานศีลเนี่ัมมาปัญญาวิริยะเป็นต้นอันยอดเยี่ยมทำให้เกิดความสุข ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกกตระแต่ก็มาเรียกเสียใหม่ว่าพักวานะครัคำว่าพักวานในยะแรกมาจากคำว่าภาคยวาหมายถึงพระองค์เนี่ยย่อๆแล้วผู้มี บ, บ, บุญบุญในที่นี้เนี่ยหมายคำว่าผู้ทำบุญเอาไว้มากบุญที่พระองค์ทาไม้มากมีอะไรทานศีล ก็เนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถารมีสิบมหาบริจาก5ตลอดเวลาสอสงไขยแสนกับเนี่ยนะ ถ, ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทาทีละอันทีละอันให้มันครบนี่ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ที่ยากมากก็คือต้องทำอย่างนี้แล้วสิ้น4ี่อสงไขยแสนกับไอ้ฟังตรงนี้แล้วค่อนข้างหนักใจนยนะ แต่ว่าถ้าจะเอามาทีละข้อทีละข้อทีละข้อเนี่ยนะทำไม่น่าจะยากแต่ว่าแหมทนทําตั้งเสียสงไข่แสนกลับเนี่ยนะอันนี้ยากเนี่ยนะท่านผู้การก็เลยพากราบเลยใช่ไหมเมื่อวานนะเรเลือกถึงส่วนนี้ก็กราบสักทีหนึ่งอั น, นั้นก็มาจากคําว่าภาขยวาวนะพาข ย, า ว, านะาขยาวาแปลว่าผู้ที่มีบุญเพราะบุญที่พระองค์สั่งสมทั้งหมดนะบารมีเป็นต้นทั้ง สิบเนี่ยตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับทำให้พระองค์ได้รับความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระความสุขที่เป็นโลกิยะมีอะไรบ้างานะในบรรดามนุษย์ทั่วไปที่ได้บริโภคอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเพราะเส้นประสาทรับรถเจ0 0ันเส้นนี้ออกมารับหมดเลยแล้วอาหารทุกมื้อเนี่ยเทวดาหยดโอชาทิพทุกครั้งเนี่ยนะ ก็ชันร่วมกับโอชาทิพทุกครั้งเนี่ยนะอาหารอันนี้ถ้าแล้วความสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์เนี่ยถ้าถ้าเป็นมนุษย์นะทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่ได้รับความสุขทางร่างกายเนี่ยพระองค์ได้รับมากกว่าเพื่อนเขาสร้างปราสาทเหมาะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวควรจะสร้างปราสาทแบบไหนหน้าฝนเป็นแบบไหนเนี่ยนะระบบกรรมวิธีการก่อสร้างเนี่ยดูในสุขุมมารสูตรนี่นะมีนะฮะอธิบายไว้ปราสาทของพระองค์แต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยนะ มีการทำน้ำตกเทียมอะไรสมัยพุทธกาลนี้เขาก็ทํากันแล้วให้แบบอยู่ความสุขอย่างสบายนี่นะก็บุญอันนั้นถ้าเท่เากับวัตถุกรรมเหมนะทีนี้แบบการมต่อไปก็แบบรูปรรประชานอรูปประชานสมาบัติทุกชนิดพระองค์เข้าได้หมดรูปประชานอรูปประชานสมาบัติทุกประเภทจากกรรมฐานทุกชนิดพระองค์สวยความสุขในสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดอันนี้ส่วนที่เป็นโลกยะใช่ไหมส่วนที่เป็นโลกุตระ อ่ะนะทละสมาบัติทุกชนิดพระองค์เข้าได้หมดอ่ะนะทละสมาบัติที่เป็นนิโรสมาบัติเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงสุขทั้งที่เป็นโลกยะสุขทั้งที่เป็นโลกุตระนับแบบโลกโลกพระองค์ก็สุขที่สุดนับแบบโลกุตระพระองค์ก็สุขที่สุดเนี่ยนะมันก็เนี่ยเป็นผู้มีบุญจริงๆเพราะทําเหตุเอาไว้มากนะแทนที่จะเรียกคําว่าภาคยวาก็มาเรียกเสียใหม่คําว่าพักวะในฐานะผู้มีบุญเนี่ยนะผู้มีบุญ ส่วนที่สองเนี่ยพักขวาภักวานะไม่ใช่พักขวาแต่เรามาเหลือย่อๆเป็นพักขวาใช่ไ้มมาจากคาว่าพักคเนี่ยนะคือพพเอ่อขออภัยคอควายสองตัวนะแปลงับพักคขวาไม่ใช่พัวาเอาพักขวาเนี่ยเอาคอควายออกไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือพักควาอันนั้นคที่สองกันถ้าถ้าสังเกตเน้นในบาลีเลยนะภาษาบาลีข้างบนเนี่ยนะข้างบนนี่เห็นดำาๆเนี่ย พัคยวาพักขวายุโตพักเฮหิจะวิพัตตวาพัตวาวันตะกขมโนพระเวสุพักขวาตะโตพักขวานี่คำที่หนึ่งนะขออภัยพคยวานี่หนึ่งสองพักขวาสามพักเฮหิสี่วิพัตตวาห้าพัตตวาหกวันตะกขมโนพระเวสุพักขวานะคำที่หนะทีนี้คาแรก ภคยาวาก็ผ่านไปทีนี้มาดูคําว่าภควาอันหนึ่งอันหนึ่งเหตุที่พระองค์ทรงหักรานกิเลสอันทําความกวนกวายเร่าร้อนนับแสนประเภทกิเลสเนี่ยนะมันเป็นตัวที่สร้างความเดือดร้อนอะ น, นะสับสนกวนกวายตลอดเวลาเลยนะและกิเลสเนี่ยถ้าขยายตามสภาวะเนี่ยเป็นแสนประเภทเลยนะก็เกิดกับแต่ละคนก็คนละอย่างคนละอย่างไนงะก็นับเป็นแสนแสนชนิดเลยแหละ เช่นโลพาโทสาโมหะอันนี้เป็นกลุ่มอะไรอกุศลมูลสาวิปริตมนัสิการอันนี้ก็คือวิปลาดมนานสิการแบบวิปริตนะเนี่ยเขาบอกว่าคนมีปัญญานะหรือคนเต็มๆเขาไม่คิดแบบนี้หรอกคนวิปริตเนี่ยชอบมนานสิการแบบนี้มนานสิการว่าเที่ยงบ้างว่าสุขบ้างว่าอัตตาเพราะฉะนั้นภาษาธรมะท่านใช้คําสภาวะนะมนานสิการแบบวิปริตวิปริตมากเลยนะไม่ตรงตามเป็นจริง แล้วก็โนตปะประเภทอะฮีริกะอโนตปะอันนี้ก็อะไรโลกวินาทถ้าเป็นฮีริโอตปะเขาเรียกว่าโล ก, กธรรมใช่ไหมอะไรนะเทวธรรมใช่ไหมหรือว่าโลกปาลธรรมธรรมที่รักษาโลกฮีริโอตปะแต่ถ้าอะฮีริกะอโนตปะนี่หมายว่าโลกวินาทนะนะตัวที่ทําให้โลกชิบหายพินาศโลกไหน คิดดูนะมนุษย์เนี่ยดีๆนะมันเป็นเดรัจฉานได้เพราะพินาถขนาดนั้นนะ่ะตกนรกก็ได้อหิริกาอโนตปะเป็นต้นเหตุมันทำให้ชีวิตพินาถสัตว์โลกนี่พินาถเพราะอาหิริกะกับอโนตปะโกธาอุปนาหะความโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะมะัคขะความมัคขะอะไรดูมิ่นใช่ไหมลบเอ่อลบหลูปราสะก็ดูหมินนะลบหลูดูมิ่นเขาจะมาคู่กัน อิสามัชชิยะริสยากับขี้เหนียวเนี่ยมาคู่กันนะมายากับสาไทยก็คู่กันธรรมพระถือตัวสาลำพระแข่งดีก็คู่กันมานะเยื่ยยิงใช่ไหมอติมานะดูหมิ่นคนอื่นก็มาคู่กันมทะเมาประมาทะประมาทวันนี้ก็จับคู่กันคู่กันนะแต่ถ้าตั้งแต่พวก โกธาอุปนาหะเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าอุปกิเลสนี่นะอุปกิเลสตัวที่ทำให้จิตเศร้าหมอง16อย่างต่อไปก็มูลของวตะนะคืออวิชากับตัณหาตัณหากับอวิชานี่เรียกว่าเป็นกลุ่มมูลของวัตต์อันนี้ะนี่หมวด2ก็ผ่านไปนะทีนี้มาขึ้นหมวด3ก็คืออกุศลมูล3ทุจริตสาสังกิเลสสาสังกิเลสสมีอะไรตัณหาทิฏฐิทุจริตมละ มะระคือมนทินสก็อะไรราคาโทสะโมหะวิสมะความไม่สม่ำเสมอสามไม่สม่ำเสมอ 3, ทางกายวาจาและใจสัญญาสก็อกุศลสัญญานะเช่นการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาวิตกสาก็กรมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสามปปัญจะทำสาม 3. เครื่องเนิ่นช้าก็คือตันหามานะกับเทฐิ ประเภทวิปริเยสะสีก็คือเนี่ยวิปราตแสวงหาว่าเที่ยงว่าสุขว่างามว่าอัตาานะการสแสวงหาที่ไม่ดีะนะก็คือวิปราตสีนั่นเองอาสะวะสีกามาสะวะพวาสะวะทิฐาสะวะอวิชชาสะวะคันทะสีก็อภิชากายคันทะพยาปาทกายคันทะศีลพัตะปรามาสกายคันทะอีทางสัจจพิเนเวสกายคันทะ โอคา่าก็กามโมคะภโวควะทิถโควะอวิชโควะโยค่าสก็เหมือนกันอคติสี่ก็ฉันทาคติโทสาคติพยาคติโมหาคติเนะห็นไหมอืมไม่ใช่หนึ่งนะฉันทาคติสองโทสาคติสามโมหาคติสี่พยาคติตันหูปาทานนี่หมายถึงว่าตันหาบวกปุปาทะตันหูปาทะ ที่เกิดของตัณหาหรือตัณหาถ้าจะเกิดเกิดในวัตถุ4ีหนึ่งผ้าสองอาหาร3ที่อยู่4ยาแปลว่าตัณหาเมื่อเกิดนะ่เกิดในปัจจัย4ี่เหมือนกันเถอะที่เกิดของตัณหาคือปัจจัย4เจโตขีรธรรมเนี่ยนะธรรมที่เป็นเครื่องเป็นตะปูตรึงใจนี่มี5อย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธสองสงสัยในพระธรรมสสงสัยในพระสงฆ์4สงสัยในศีขา้าโกรธเพื่อนสหพรหมจันทร์ ส่วนวินิพันธะนี่นะเครื่องตรึงเอ่อเครื่องผูกพันทางใจเช่นยินดีในกลามในกายในรูปอันนะข้อแรกนะยินดีในกลามข้อสองยินดีในกายสามยินดีในรูปสี่ชอบหลับ น, น, นะห้าอยากเป็นเทวดาอันนะพวกนี้เรียกว่าเครื่องผูกพันทางใจนะก็ดูนะว่าแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเดี๋ยวก็ถึงเวลาอาหารแล้ว นนะอะไรหนึ่งวินิพันธะเสีห้านะหนึ่งในกามสองในกายสาในรูปสี่ชอบหลับห้าอยากเป็นเทวดาหมายคือว่าทำบุญทุกอย่างขอให้เป็นเทวดานะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาอย่างเดียวพวกนี้ผูกพันนะัไม่ให้บรรลุมรรคผลหรอกนะแล้วก็นิวรนหาอันนี้ก็คุ้นเคยอภพินันทนะเนี่ยนะหมายคือว่ายินดียิ่ง ห้าก็คือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโภตพภะอันนี้หาย่างง่ายวิวาทมูลหก็เกี่ยวกับเหตุให้ทะเลาะวิวาทนี่หกเช่นถือเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นต้นนะนะพวกเจ้าอะไรนะพวกแบกความคิดแต่ตัวเองถือตนเป็นใหญ่พวกนี้ก็ทะเลาะมากก็นะวิวาทมูลหกก็มีที่อื่นๆนะนายเช่นในโกสัมพีสูตรก็ได้แสดงไว้ส่วนตันหากายหก็ตันห า, ายะตัวนั้นแปลว่ากองเลยนะ ตันหาเป็นกองกองเลยแหละชอบในหนึ่งชอบรูปสองชอบเสียงสามชอบกลิ่นก็ชอบอารมณ์6กนั่นแหละมันชอบเป็นกองกองเลยนะเช่นถ้ามันชอบสีนะมันไม่ชอบสีเดียวนะมันชอบสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงสีผสมอูชอบสารพัดสีเพราะฉะนั้นมันเป็นกองกองเลยนะส่วนประเภทอนุใสเจ็ดก็การมราคานุสัยเป็นต้นมิชตะแปดก็คือมิฉามักปดตันหาเป็นมูลเก้าก็คืออาศัยตันหาทําให้เกิดการ สแสวงหาพอสแสวงหาก็เกิดการได้เป็นต้นตามนิฐานสูตรอกุศลกรรมบท10ทิทีหกิ 62, แบ่งเป็นอดีต18อนาคต44ตันหาวิปริตร0 8วิจริตนะวิจริตหมายความว่ามันพิสดารมากเลยนะ108เช่นตันหา3คูณอารมณ์6คูณการ3คูณภายในภายนอกคูณไปคูณมาเดี๋ยวก็เยอะเองแหละ ถ้าว่าย่อๆนะบาปทั้งหมดที่ว่าไปแล้วถ้าว่าย่อก็แบ่งออกเป็นคือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวปุตตมารเพราะฉะนั้นเมื่อจะเรียกว่าพักวาก็เรียกเสียว่าพักวาเพราะทรงหักรานอันตรายเหล่านั้นเสียได้พระ อ, องค์นี้เป็นไม่มีอันตรายจริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงส่วนใครก็ตามถ้ายังมีอกุศลเหล่านี้ทั้งหมดนะบุคคล น, นั้นยังอันตรายอยู่ อันนะั้ควรระวังระวังเอาไว้ให้ดีเออนอนะผู้ที่ยังมีราคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายใครที่โทสะยังมีโทสะก็เป็นบุคคลอันตรายพวกยังมีโมหะก็เป็นบุคคลอันตรายดังนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องระวังเข้าไว้อย่าไปปล่อยกายปล่อยใจไปซะหมดเดี๋ยวจะลำบากเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยปล่อยใจไปเถอะเนี่ยนะน้อมใจด้วยศรัทธาไปเถอะโป้งไม่หลอกเราหรอกแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะก็ระวังให้ดีเพราะเป็นวัตถุอันตราย ภายนอกกับภายในอันไหนมันอันตรายกัก น, น, นก็เอาเหอะพใจของเราเนี่ยก็สังเกตดูเอ๊ะมันจะอันตรายแลวนะเนี่ยท่านก็เลยกล่าวว่าพระองค์ี่ทรงหักราคา่าหักโทสะหักโมหะไม่มีอาสวะทรงหักบาปรธรรมได้แล้วด้วยเหตุ น, นั้นจึงเรียกว่าพระควาส่วนพระควาอีก อย่างอื่นนี่ก็คงเป็นภาพบ่ายนะเชิญพนเพราะว่าภาพนี้ก็สมควรแก่เวลาเนี่ยนะนนะก็เข้าเรียนช้าก็เป็นอย่างนี้แหละเรียนได้หน่อยก็หมดเวลาฮะอาก้าโมงแต่นี่มันสิบเอ็ดโมงแล้วอ่ะอ่ะแปดโมงครึ่ง ท่านผูน้ใดมีรถช่วยรับพระอาจารย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านยังมีเวลาอีกท่านเพิ่งทานอาหารเช้ามานะาะว่าให้สนทนาต่อติลงขึ้นมาช่วยนําการสนทนาธรำหน่อยครับเด็วกว่าจะเที่ยงนะครึ่งสิบเอ็ครึ่งเราเคยออกเดินทางไปนะจะได้มีเสียเวลาเชิญครับคุณลุงมีรถไหมช่วยรับอาจารย์ เนท่านท่านที่ชนนะครับเอ่อท่าน ท่านจะนำหัวข้อเรื่องอะไรขึ้นมาสนทนาทม ก, ก็เสนอได้นะครับเชิญครับคำจริงมาว่านี้ก็เตรียมตัวมาฟังเต็มที่นะครับ แต่ว่าจากการที่ได้ฟังแล้วก็ได้ไปร่วมเจริญโสนโดยการาปรูพรมแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความาซาบซึ้งแล้วก็มโนทนากับทุกท่านมากเพราะว่ากุศลที่ไม่เคยเจริญก็ได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาคุโสลธรรมก็คือความไม่มีศรัทธาก็ได้เสื่อมลงไปก็ได้เห็นว่าจากการที่ ได้คบกับบัณฑิตจากการที่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมแล้วก็ยินสี่ห้าก็เริ่มค่อยๆจะเจริญขึ้นก็แนวโน้มของความเจริญของกุตรสรธรรมก็คงจะมีมากยิ่งๆขึ้นสำหรับผู้การก็ เ, เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะมาก่อนตั้งแต่เมื่อเดินทางยังเป็นมิจฉามักอยู่นะครับก็ศึกษามาก่อนแล้วเราก็เดินรอยตามท่านมา แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาสัมมามัตยนะครับท่านก็ศึกษามา่ก่อนเราก็คงจะมีะความรู้ความเข้าใจจากเมื่อวานที่แสดงเรื่องของการบูชาการน้อมบูชาการรึกถึงพระพุทธคุณนะครับก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ตรึกเรื่องของพระพุทธคุณเป็นปกติจนทัึงชํานาญเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเรานะนครับในการที่จะ น้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อครู่นี้พ ร, ระคุณเจ้าก็แสดงว่ากรรมฐานสยอย่างที่ควรจะต้องอบรมเจริญเนี่ยก็คือพุทธานุสติแล้วก็เมตตามรณาสติแล้วก็อสุภะกรรมฐานความจริงอสุภะก็ได้ทั้งกายคตตาสติซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ในตัวของเราเองแต่ว่าถ้าเป็นอสุภะก็อาจจะต้องหาตัวอย่างดูหรือว่าจากการอ่านในในวิสุทธิมากการรคนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ว่าสามารถที่จะอบรมสามารถที่จะเจริญได้มอีอะไรจะสนท น, นากับผู้การก็เชิญนะครับเพราะก่อนจริงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องตามว่าคุณเจ้าไปรับประทานอาหารเหมือนกันท่านผู้ใดถือผู้ออโบโุตรโสตศีลนะฮะ ก, ก็ก็เชิญได้เลยนะครับนะก็ก็เชิญครับใครสนใจเรื่องอะไรก็เชิญนะครับ เออเอาเอาหลายคนมีการเจริญพระพุทธคุณนะครับแล้วก็อีกหลายคนก็กำลังจะเริ่มอบรมอยากทราบแนวทางนะครับว่าการที่อาบุกานสามารถที่จะพิจารณาถึงพระพุทธคุณเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ยังไงก่อนครับต้องจดจำต้องท่อ ง, ต, องต้องน้อมไปต้องตรึกหรือว่าต้องพิจารณาอะไรที่จะทำให้มีความสามารถได้ตรึกได้เร็วสามารถที่จะ อ่ทรงจําได้ดีอย่างนี้นะครับเชิญผู้การช่วยแนะนํำนะฮะคือเนื่องจากว่าผมทอดทิ้งในเรื่องการจดจํามานานนะแล้วก็จะดูถูกตัวเองว่าเออเราอายุ ข, ขนาดนี้แล้วเนี่ยเอถ้าจะจําไม่ไหวนะฮะก็อันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงจงหยับหยับอยา่อย า, ยาดูถูกตัวเองมากเกินไปนะว่าเรามีอายุแล้วเออ ที่พระอาจารย์สมบัตินะฮะสอนให้การให้เจริญพุทธานุสติเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่างน้อยสุดก็จดจําหัวข้อนะจดจําหัวข้อให้ได้ก่อนแม้แต่สั้นๆนะะจดจําให้ได้แล้วก็เมื่อจดจําได้แล้วนะครับก็เอาแต่ละคํานั้นเนี่ยนะฮะไปขยายเอาเองไม่ใช่ขยายเอาเองนะหมายว่าไปขยายตามตามพุทธพจน์ ที่เราได้ไปศึกษามาได้อ่านมาได้เห็นมาเนี่ยค่อยๆขยายออกไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะใช้เวลานา น, านหน่อยนะแล้วก็จําไว้จําไว้นะเพราะฉะนั้นในหัวข้อสั้นๆอย่างที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ในศูนย์ธริกรสูตรเนี่ยนะฮะก็มีหัวข้อสั้นๆเพียงแต่ว่าพระตถาคตละกามทั้งหลายได้แล้วสมมุติเอามาวานนี้ไม่ใช่บทนี้นะครับ นะพระตถ า, าคตผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเพียงเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเราทำไมจะไม่รู้ล่ะครับว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมีมีมพระองค์ใดบ้างอย่างน้อยที่สุดก็ต้องชินหูแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่พระทีปังกรพระปันหังกรสลนังกรเมทังกรนี่เยอะแยะที่เราชินหูใช่ไหมโกนาขามันนะอวิปสัสสีสิกีเวสภูโกลทัญยะนี่ มังคลานีโอ้เยอะเราพอจําได้ใช่ไหมแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาสักสี่ห้าองค์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เออนี่นะเราก็รู้แล้วว่าพระผู้มีภาะเจ้าเราเสมอด้วยพระผู้เจ้าในอดีตเหล่านี้นะฮะเราก็จำไว้ส่วนนี้ไว้ส่วนหนึ่งน ะ, ะเพื่อว่าอมพระผู้เจ้าทั้งหลายนะั้นเป็นบุคคลที่ควรควรกราบไหว้ควรบูชาใช่ไหมครับก็ขยายเป็นลักษณะนี้ขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็สมมุติว่าแล้วก็พระองค์เนี่ยนะฮะเสมอยังไงเนี่ย เสมอยังไงเราเราก็เรียนพุทธวัติมาแล้วใช่ไหมว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมายังไงบ้างใช่ไหมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่บำเพ็ญพุทธการและกตธรรมขึ้นไปใช่ไหม